หายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ทำความรู้ความเฉพาะซึ่งกายทางปวงทำกายสังขารให้รำงับและระหว่างที่เรารู้อยู่กับลมหายใจนี้หากจิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามอดีตอนาคตความสุขความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรารีบวางความคิดเนินเสียเรียกว่าการละทันทีหรือการละความเพลิน แล้วก็ให้เรากลับมามีสติรละลึกรู้อยู่กับปลมหัยใจของเราและเราก็มาใช้เวลาช่วงที่เราเจริญอาณานปณะสตินี้สั่งสมพุทธวจนะคําสอนที่ออกจากปากพระพุธมีพระพากเจ้ากันพระพุธมีพระพากเจ้าถัดไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธทมออกสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมซึ่งหมูสัตว์กับทั้งสำนพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่น รูอแจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจันยร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายเราแล เป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดต่อวัตตอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตอันไม่เป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวัตตอันเป็นที่อยู่ของมริตายูฉลาดต่อวิวัตตอันไม่เป็นที่อยู่ของมริตายู ชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระพู้มีพระภาคเจ้าแต่สอนพระอนุรุทธะเรื่องของธรรมะไว้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 มิใช่สำหรับผู้ตะสามปัญญาดังนี้อนุรุตธะเธอควรจะตรึกมหาปริสวิตตกข้อที่8นี้ด้วยว่าธรรมะนี้สำหรับผู้พอใจในความไม่เนิ่นช้าผู้ยินดีในความไม่เนิ่นช้าธรรมะนี้สำหรับ ม่ใช่สำหรับผู้พอใจในความเนิ่นช้าผู้ยินดีในความเนิ่นช้าดังนี้แลเพราะฉะนั้นหากเรามีความพอใจในความไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นช้าในในการที่จะแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายทำจิดให้หลุดพ้นเราก็มารียบประพฤติปฏิบัติทำความเพียพรพอกิเลสกันจะได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายโดยหาที่สุดจบไม่ได้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 ก็ต้องพบท่านในสัปดาห์หน้าดังที่ท่านได้แจ้งไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะมาส ก, การขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ